อิทธิฤชนิดอาริยะและชนิดอนารย ะ, ะบาลีอีกแห่งหนึ่งจากทีคานิกายปาติกวกัคและอธิบายในคุตการิายปฏิสัมพิธามักชี้แจงเรื่องอิทธิวิธีการแสดงฤทธิได้ต่างๆว่ามีสองประเภทคือ 1. ฤทธิที่ไม่ใช่อาริยะคือฤทธิที่ประกอบด้วยอาสวะ ยังมีอุปธิคือกิเลสและทำให้เกิดทุกข์ได้ได้แก่ฤทธิ์อย่างที่เข้าใจกันทั่ววไปดังได้บรรยายมาข้างต้นคือการที่สมณะหรือพรามผู้ใดผู้หนึ่งบาเพ็ญเพียรจนได้เจโตสมาธิแลแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเช่นแปลงตัวเป็นคนหลายคนไปไหนก็แหวกทะลุฝากำแพงไปเอินฟ้าดำดินเดินบนน้ำเป็นต้น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 ตรงข้ามกับฤท์อย่างที่สองที่เป็นเครื่องมือสร้างคุณธรรมกำจัดกิเลสมีให้จิตใจถูกล่อไปในอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะดูวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเช่นนี้ในอังคุตรนิกายปัญจการนิบาทในสังยุตตนิกายมหาวรวัตรระบุว่าฤษประเภทนี้ เป็นพวกเมตตาเจโตวิมุตต์ซึ่งถึงขั้นเป็นสุภวิโมกข์เกิดจากเจริญโพชงประกอบด้วยเมตตาก็ได้เป็นผลของการเจริญสติปัฏฐานสีก็ได้เป็นผลของการเจริญสมาธิก็ได้ในมัชฌิมานิกายอุปริปั น, นาตเรียกผู้ปฏิบัติเช่นนี้ว่าอาริยชนผู้เจริญอินทรีย์แล้ว การที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุสแสดงอิทธิปาฏิหารแก่ชาวบ้านย่อมเป็นหลักฐานยืนยันถึงการที่ไม่ทรงสนับสนุนการใช้อิทธิปาฏิหารซึ่งมีมาในวินัยปิดกเล่มที่เจ็ดอธิขถาอธิบายว่าทรงห้ามแต่วิกุพนาฤทิฤทธิผันแพกคือเปลี่ยนจากรูปร่างปกติ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 การกระทำที่ตีกลับขับไล่หรือกําจัดเสียได้ซึ่งปฏิปักอิทธิหรือฤทธิแปลว่าความสำเร็จอาเทศนาแปลว่าระบุอ้างสำแดงชี้บ่งจะแปลว่าปรากฏชัดก็พอได้อนุศาสนีแปลว่าคําพร่ำสอน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 สำเร็จผลตามหน้าที่และกำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ของมันเช่นกามฉันพยาบาทตลอดจนกิเลสทั้งปวงได้เรียกว่าเป็นอาเทสนาปฏิหารได้โดยความหมายว่าผู้ที่ประกอบด้วธรรมเหล่านี้ทุกคนย่อมมีจิตบริสุทธิ์มีความคิดไม่ขุนมัว เรียกว่าเป็นอนุสาสนีปฏิหารได้โดยความหมายของการสั่งสอนว่าทำข้อนั้นข้อนั้นควรปฏิบัติควรฝึกอบรมควรเพิ่มพูนควรตั้งสติให้เหมาะอย่างไรเป็นต้นคำอธิบายนี้แม้จะไม่ใช่ความหมายอย่างที่ใช้ทั่วไปแต่ก็เป็นความรู้ประกอบที่น่าสนใจ ดังเด็กเล่าแล้วข้างต้นว่าอิทธิปาฏิหารเป็นโลกิยะอภิญญาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเสริมคุณสมบัติของผู้ที่ได้โลกุตระอภิญญาเป็นหลักอยู่แล้วให้พร้อมบริบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการบาเพ็ญกิจเกื้อกูลแก่ชาวโลกจึงมีพุทธพจน์บางแห่งคือในอังกุตรณนิกายติ ก, กนิบาศและอังกุตรนิกายทสกนิบาศ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 หรือเป็นข้อยืนตัวแน่นอนและมีปฏิหารสองข้อต้นเป็นเครื่องเสริมแม้ในการใช้ปฏิหารก็ถือหลักอย่างเดียวกันคือต้องใช้อนุสาสนีปฏิหารเป็นหลักอยู่เสมออาจจะต้องใช้อิทธิปฏิหารหรืออาเทศนาปฏิหารบ้างในเมื่อมีเหตุผลสมควรก็ใช้เพียงเพื่อเป็นเครื่องประกอบเบื้องต้น เพื่อนำเข้าสู่อนุสาสนีปาติหารมีอนุสาสนีปาติหารเป็นเป้าหมายและจบลงด้วยอนุสาสนีปาติหารดังจะได้กล่าวต่อไป